วันนี้พวกเราก็ได้มาร่วมกันฟังเทศน์งธรรมปฏิบัติธรรมกันอีกครั้งหนึ่งเป็นการกระทําที่ดีที่มีคุณมีประโยชน์เป็นอย่างมากเพราะผลคือการบรรลุมรผลนผิพพานขั้นต่างๆนั้นจําเป็นจะต้องมีการศึกษามีการปฏิบัติการอย่างต่อเนื่อง ความเพียรพยายามนี่แหละเป็นปัจจัยที่สำคัญถ้าเราไม่มีความเพียรเราไม่มีความพยายามเราก็จะไม่สามารถได้ผลที่เราต้องการกันได้อย่างที่เราเคยได้ยินสุภาษิตหลายบทด้วยกันที่พูดเกี่ยวกับความเพียร เช่นความพยายามอยู่ที่ไหนความสำเร็จอยู่ที่นั่นลดพ้นจากความทุกข์ได้ด้วยความเพียรความเพียรนี้จึงเป็นหนึ่งในองค์ประกอบของมรรคแปดคือสัมมาวายาโมความเพียรชอบถ้ามีมรรคที่ มีมรรคองค์อื่นแต่ขาดมรรคสัมมาวยามโก็จะไม่สามารถที่จะทำให้เกิดผลขึ้นมาได้คือต้องมีครบทั้งแปดองค์ด้วยกันถึงจะทำให้เกิดผลคือมรรคสี่ผลสี่นิพานหนึ่งขึ้นมาได้ มรรคองค์อื่นเราก็พอที่จะมีกันอยู่เช่นสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกปรเราก็จะมักจะได้ยินได้ฟังกันอย่างได้ยินได้ฟังธรรมะกันต่อเนื่องพอเราได้ยินได้ฟังธรรมะได้ศึกษาธรรมะเราก็จะมีความเห็นที่ถูกต้องเราก็จะมีความคิดที่ถูกต้อง แต่ถ้าเราไม่เอาความเห็นที่ถูกต้องความคิดที่ถูกต้องนี้มาประกอบความเพียรมาเจริญสติมาเจริญสมาธิเราก็ยังไม่สามารถที่จะทำให้เกิดมรรคผลที่ผ่านขึ้นมาได้ดังนั้นพอเรามีสมาธิฏฐิแล้วว่าการจะหลุดพ้นจากความทุกข์ได้ นี้ต้องมีความเพียรพยายามคือต้องมีการปฏิบัติอย่างสม่ำเสมออย่างต่อเนื่องปฏิบัติให้มากขึ้นไปตามลําดับจนให้เต็มร้อยถ้าการปฏิบัติเต็มร้อยเมื่อไหร่ผลก็จะเต็มร้อยเมื่อนั้นดังนั้นสิ่งที่เราจะต้อง คอยกำจัดอยู่เรื่อยๆก็คือความเกลียดครางอะไรที่ทําให้เกิดความเกลียดครางขึ้นมาเสริมความเกลียดครางเราก็ต้องกําจัดมันให้ได้หนึ่งในเหตุของความเกลียดครางก็คือการรับประทานอาหารมากเกินไปเราจึงต้องรู้จักประมาณในการรับประทานอาหารรับประทานเพื่ออยู่ อย่าอยู่เพื่อรับประทานถ้าอยู่เพื่อรับประทานก็จะรับประทานแบบไม่มีขอบไม่มีเขตจะรับประทานตามความอยากซึ่งความอยากนี้มีแบบไม่มีขอบไม่มีเขตอท่านพูดไว้ว่า มหาสมุทรแม้จะกว้างใหญ่ไพศาลรขรนาดไหนก็ยังมีขอบมีฝัง่งแต่ตัณหาความอยากนี้ไม่มีขอบไม่มีฝัง่งอยากเท่าไหร่แทนที่จะหมดไปกับมีมาต่ออยู่เรื่อยๆถ้าเราปล่อยให้ความอยากในการรับประทานอาหารนี้เป็นตัวนำพาในการรับประทานอาหาร เราก็จะรับประทานมากจนเกินไปเช่นรับประทานวันละสี่ห้ามือ้อแล้วระหว่างมื้อก็ยังมีขนมนมเนยเครื่องดื่มไว้รับประทานไว้ดื่มอีกถ้าเราดื่มเรารับประทานอย่างนี้เราก็จะเกิดความง่วงเหงาหวน่อนเกิดความเกียจค้านไม่อยากที่จะ เดินจงกรมไม่อยากจะนั่งสมาธิไม่อยากจะฟังเทศฟังธรรมอยากจะหาหมอนฟังเทศจากหมอนหาความสงบจากหมอนซึ่งเป็นความสงบของสุกรเป็นความสุขของสุกรอิ่มมีพีมันพร้อมที่จะขึ้นเขียง ถ้าเป็นนักปฏิบัติเพื่อความอดทนจากความทุกข์แล้วจะไม่มีไขมันติดอยู่ตามร่างกายจะมีแต่หนังกันเนื้อหุ้มหอกระดูกจะมีกล้ามเนื้อที่เกิดจากการเดินจงกรมเป็นชั่วโมงชั่วโมงจะเกิดขึ้นได้ก็ต้องรู้จักประมาณในการรับประทานอาหาร โดยหลักแล้วก็ปกติก็รับประทานไม่เกินวันลาไม่เกินเที่ยงวันไปแล้วคือจะรับประทานมากหรือน้อยก็หลาองเที่ยงวันไปแล้วก็ต้องหยุดแล้วเพราะไม่เช่นนั้นมันจะลามปามไปถึงเย็นถึงค่ำถึงก่อนเวลานอนแล้วมันจะไม่มีเวลาที่จะมาภาวนา ข้หนึ่งจะต้องเสียเวลากับการเตรียมอาหารรับประทานอาหารเมื่อรับประทานแล้วก็เกิดความง่วงนอนเกิดความเกลียดการขึ้นมาถ้ารับประทานไม่รับประทานหลังจากเที่ยงวันไปแล้วพอบบา ย, บายอาหารก็จะย่อยไปหมดแล้วก็จะไม่มาเป็นอุปสรรคต่อการภาวนา ในตอนบ่ายหรือตอนเย็นในตอนค่ำในตอนดึกแต่ถ้ารับประทานต่อถึงเย็นถึงถึงก่อนเวลาเข้านอนก็จะไม่มีกำลังที่จะมาภาวนามาบำเพ็ญดังนันทางปฏิบัตินี้มักจะถือการ รับประทานอาหาราวันละหนึ่งครั้งเป็นทุดวงควัดสิบสาหนึ่งในสิบสามข้อของพระที่พระเจ้าได้ทรงกำหนดขึ้นให้ไว้เป็นเครื่องสนับสนุนในการบำเพ็ญความเพียรทุดงสิบสามข้อนี้จะทำให้ผู้ที่บำเพ็ญนี้บำเพ็ญได้อย่างสะดวก จะไม่เกียติการจะไม่เสียเวลากับเรื่องราวต่างๆที่ไม่จำเป็นจะต้องเสียเวลาด้วย mm hmm. หนึ่งในข้อนี้ก็คือการฉันมือเดียวะจะจะแสดงทวดดวงเขาว่าทั้งสิบสามข้อนี้ถ้าที่จะจำได้ให้ฟัง โดยยากยมถึงแม้ว่าจะไม่ได้เป็นนักบวชไม่ได้เป็นพระก็สามารถนำเอาไปปรับให้ใช้กับชีวิตของตนได้เช่นการฉันมือเดียวอันนี้ก็เพื่อเป็นการลดการบริโภคการรับประทานอาหารมากจนเกินไปทำให้ง่วงเหงาหานอนทำให้เกิดความเกลียด้ารทำให้ไม่สามารถ บำเพ็ญความเพียรปฏิบัติธรรมเพื่อให้เกิดผลขึ้นมาได้อีกข้อหนึ่งก็คือการบินธบาตการบินธบาติของพระนี่ก็เป็นการเสริมความเพียรเพราะว่าจะต้องเดินไปในหมู่บ้านเนื่งโดยปกติวัดป่านี้จะตั้งอยู่จากหมู่บ้านประมาณสองกิโลเมตรขึ้นไปเพื่อจะได้อยู่ห่างไกลจาก แสงสีเสียงของหมู่บ้านของชุมชนแต่ก็ไม่ห่างจนเกินไปจนไม่สามารถที่จะมาบินทบบาทได้เพรา ะ, ะเพศของพระนี่มีความผูกพันเกี่ยวข้องกับคารวะญาติโยมคือต้องพึ่งพาอาศัยกันคารวะญาติโยมก็ต้องพึ่งพาอาศัยพระเกี่ยวกับเรื่องธรรมะ พระก็ต้องพึ่งพาสายยอดโยมเกี่ยวกับปัจจัยสี่ก็มีความจำเป็นที่จะต้องมีความสัมพันธ์กันมีพระยติโยมก็จะได้มีโอกาสได้ทำทานได้แบ่งปันได้เสียสละที่เป็นพื้นฐานของการปฏิบัติ เพื่อก้าวสู่ทำขั้นสูงต่อไปอยากทางก็จะได้ก้าวขึ้นสู่ขั้นศีลขั้นภาวนาตามลำดับต่อไปครับดังนั้นพระป่าหรือวัดป่าก็จะอยู่ใกล้กับหมู่บ้านพระก็จะออกปรวจสัตว์ห้เปิดโอกาสให้ผู้ที่มีศรัทธาที่อยากจะ ปฏิบัติตามคําสอนของพ่อพรธเจ้าได้ปฏิบัติการใส่บาตรก็คือเป็นการทําทานนี้ให้ทานนี้ อ, อันนี้พระไปบิณฑบาตก็ได้ประโยชน์สองสองส่วนด้วยกันส่วนหนึ่งก็ของตนเองได้อาหารแล้วก็ได้ทําความเพียรไม่เกียจคร้านส่วนญาติโยมก็ได้มีโอกาส ทาทานอันนี้ก็ถึงเป็นข้อทุดดงขวัตการบินตบานนี้พระเจ้าให้ความสำคัญมากเป็นพิเศษทรงบัญญัติไว้ถึงสามส่วนด้วยกันส่วนหนึ่งก็คือทุดดงขวัตคำว่าทุดดงนี้เป็นข้อปฏิบัติพิเศษ ที่ไม่ได้บังคับไม่เหมือนกับศีลสองร้อยี่สิบเจ็ดข้อที่ที่ห้ามไม่ให้กระทำศีลสองร้อยี่สิบเจ็ดข้อนี้พระทุกรูปจะต้องปฏิบัติตามเช่นห้ามเศษในถุนคือห้ามร่วมหลับนอนกับผู้อื่นห้ามฆ่าสัตว์ห้ามฆ่ามนุษย์ห้ามลักทรัพย์ห้ามอวดอุตริคุณธรรมวิเศษที่ตนเองไม่มี น, นี้ห้ามเด็ดขาดไม่ว่าใครทำก็จะขาดจากความเป็นพระทันทีส่วนทุดงควัตคือข้อที่จะให้ไปบินทบาตเป็นกิจวัตรประจำวันนี้ไม่ได้บังคับปล่อยให้เป็นไปตาม อ, าอินชีหรือตามความเพียรของแต่ละท่านบางท่านอาจจะมีปัญหาไม่สามารถบินทบาต ได้ก็มีเป็นปัญหาทางร่างกายเจ็บไข้ได้ป่วยหรื อ, อพิกลพิการอย่างใดอย่างหนึ่งหรืออยู่ห่างไกลจากที่จะไปบินาบาบจนไม่สามารถที่จะไปบินาบาบได้ถ้าไม่ได้ถือทุดงคขวัตข้อนี้ก็ไม่ไม่มีความผิดแต่อย่างใดเพียงแต่ว่าจะไม่ได้ทําความเพีย ธูดงขาวัดนี้เป็นเหนือยกับน้ำมันชนิดพิเศษเช่นเรามีสองชนิด91กับ95ถ้าเราต้องการให้มีพลังมากเราก็เติม95แต่ก็ต้องแพงหน่อยอถ้าเราจะบำเพ็ญธูดงขาวัดเราก็ต้องเหนื่อยหน่อยเราก็ต้องลาบากหน่อย แต่ผลที่เราจะได้รับมันคุ้มค่ากว่าคือถ้าเป็นรถก็วิ่งไปถึงถึงถึงหลักชัยก่อนคันที่ใช้เก้าสิบเอ็ดเพราะเก้าสิบห้านี้มีพลังมากกว่าสามารถขับเคลื่อนรถยนต์ได้เร็วกว่าตุวดงขวัตก็เป็นอย่างนี้เป็นข้อปฏิบัติที่ไม่ทรงมังคับให้ผู้ปฏิบัติ ได้พิจารณาเลือกเอาตามอัธยาศัยอยู่ว่าต้องการความหลุดพ้นต้องการบรรลุช้าหรือเร็วถ้าต้องการไปเร็วก็จะถือทุดงขวัดกันถ้ายัางใจเย็นยังไปสบายไว้ลอยสักสิบชาติร้อยชาติก็ไม่ต้องถือทุดงขาวัดก็ได้ไปตาม สบายการบิ็นทบาทนี้พระพุทธเจ้าให้ความสำคัญข้อครั้งแรกก็สอนตอนที่บวชใหม่ๆเลยพอเสร็จจากพิธีบวชก็จะมีการสอนอนุศาสตร์อนุศาสตร์ก็คือคำสอนที่สำคัญในเบื้องต้นของนักบวชมีอยู่แปดข้อด้วยกันคือสี่ข้อเป็นกิจที่พึงกระทา และสี่ข้อเป็นกิจที่ไม่ควรกระทำสี่ข้อกิจที่ไม่ควรกระทำก็คือที่ได้พูดไว้แล้วห้ามเด็ดขาดห้ามเสกเวทุนห้ามห้า ม, มนุษย์ห้ามลักทรัพย์ห้ามอุตทะเลอวดอุจเตะมนุษย์ อ, อวดอุตเตะคุณธรรมวิเศษที่ไม่มีในตนอันนี้ห้ามถ้าทําแล้วก็ให้ขาดจากการเป็นพระทันที ส่วนเกจที่พึงกระทามีอยู่สี่ข้ออันนี้ทาหรือถ้าไม่ทาก็ไม่ผิดแต่ถ้าทาก็จะทำให้เจริญก้าวหน้าในธรรมได้บรรลุธรรมอย่างรวดเร็วก็คือหนึ่งเบญบาปเป็นวัดสองอยู่โคนไม้อยู่ตามอยู่ตามป่าตามในป่าที่มีต้นไม้ เป็นสถานที่สงบสงัดวิเวกที่เหมาะกับการบำเพ็ญจิตตภาวนาออใช้ผ้าบางสกุลก็คือใช้เศษผ้ามาทำเป็นจีวรคือไม่ต้องเลือกผ้าที่เป็นผ้าสำเร็จผ้าที่ทำมาจากโรงงานผ้าใหม่ให้เอาผ้าเก่าผ้าขีริ้วที่ เขาทิ้งแล้วตามสถานที่ต่างๆไปรวบรวมเก็บเอามาไว้พอได้จำนวนพอต่อการที่จะมาตัดเย็บเป็นผ้าจีวรก็เอามาตัดเย็บเป็นแล้วก็มาย้อมด้วยน้ำฝาดคือน้ำที่ตอกด้วยแก่นไม้เช่นแก่นถนนก็จะได้ผ้าเป็นสีเหลืองผ้าสีกาสาวพัด แล้วข้อที่สี่ก็ให้ให้ใช้ยาดองน้ำมูดคือใช้ใช้ใช้น้ำปัสสาวะนี่ดองกับสมุนไพรชนิดต่างๆเช่นสมอหรืออะไรต่างๆที่ใช้เป็นยาได้ก็เอามาดองหรือแม้แต่ดื่มน้ำปัสสาวะโดยตรงเลยก็ได้ ในสมัยพุทธกาลในน้ำปัสสาวะนี้ถือว่าเป็นโอสถชนิดหนึ่งรักษาโรคภัยไข้เจ็บได้นี่คือกิจที่พึงกระทำเพราะจะส่งเสริมเรื่องของความมากน้อยสันโดษเรื่องของการอยู่ง่ายกินง่ายเพื่อจะได้ไม่ต้องมาวุ่นวายกับการ ดูแลรักษาร่างกายมากจนเกินไปจนมาทำลายความเพียรเอาเวลาที่จะมาทำความเพียรไปหมดแต่ถ้าถือหลัก อ, อนุสาสสี่ข้อนี้คือบิณฑบาตยินดีตามมีตามเกิดได้อะไรมาก็รับประทานไปใช้ผ้าบางสกลุล ได้เศษผ้าที่ไหนมาก็เก็บเก็บเอาไว้เพื่อที่จะมาทำเป็นผ้าหม <c oughs> อยู่โคนไม้อยู่ตามอยู่ในป่าแล้วก็ดื่มน้ำมูดเวลาเจ็บไข้ได้ป่วยถ้าไม่มียาอะไรก็ใช้น้ำน้ามูดคือน้ำปัสสาวะนี่ เพราะว่าโรคคายไข้เจ็บในมันก็มีอยู่สามโรคด้วยกันโรคชนิดที่หนึ่งเวลาเป็นแล้วมันหายเองได้เช่นเป็นไข้หวัดอย่างนี้ไม่มียารับประทานเพียงแต่พักผ่อนคอยรักษาร่างกายให้อบอุ่นไม่ให้หนาวเย็นร่างกายก็จะฟื้นขึ้นมาได้หายจากโรคหวัดได้ นี่เป็นโรคชนิดที่หนึ่งคือเป็นแล้วหายได้หายเองชนิดที่สองนี้เป็นแล้วต้องรักษาด้วยยาถึงจะหายถ้าไม่รักษาก็จะไม่หายโรคนี้ก็ต้องใช้น้ําปัสสาวะถ้าไม่มียาอย่างอื่นก็ดื่มน้ําปัสสาวะไปถ้าหายก็ดีไปถ้าไม่หายก็อยู่กับมันไปโรคชนิดที่สามก็คือ ชนิดที่เป็นแล้วรักษาก็ไม่หายไม่รักษาก็ไม่หายมีแต่ความตายอย่างเดียวที่จะตามมาต่อไปดังนั้นเราจึงไม่ควรที่จะไปกังวลกับเรื่องอยู่ยากันมากจนเกินไปถ้ามีก็ดีมีคนถวายยามาให้ก็รับเอาไว้เก็บเอาไว้ถ้าไม่มีก็ไม่ต้องไปกังวล กับโรคภัยไข้เจ็บที่ยังไม่เกิดขึ้นให้มากังวลกับ ก, บการบาเพ็ญความเพยียรจะดีกว่าจะ ไ, ได้ไม่เสียเวลานี่คือความสำคัญของบิณฑบาตข้อที่ครั้งที่หนึ่งที่ทรงสอนพระก็คือสอนในอนุสาสร์เวลาเสร็จจากการพิธีบวชปับก็ต้องสอนอนุสาสร์นี้ทันทีแล้ว ขั้งที่สองก็สอนในทุดงขวัตสิบสามข้อหนึ่งในทุดงขวัตก็มีการบินทบาทเป็นวันแล้วขั้งที่สามก็อยู่ที่การปฏิบัติในพุทธกิจห้าหนึ่งในกิจประจาวันของพระพุทธเจ้าก็คือการออกบินทบาทโปรดสัตว์ทุกวันพระพเจ้าจะออกบินทบาทถ้าไม่เจ็บไข้ได้ป่วย นี่คือความสําคัญของการบินตบาทเพราะว่าจะเป็นประโยชน์ทั้งผู้บินตาบาตเองและผู้ใส่บาตผู้ใส่บาตก็จะได้มีความเพียรเตื่นเตื่นขึ้นมาแต่เช้าเตรียมอาหารทํากับข้าวกับปลาเพื่อที่จะได้ใส่บาตผู้ที่บินตบาตก็จะได้ไม่นอนตื่นสายเตื่นเช้าแล้วก็จะได้ออกบินตบาทกลับมาจะได้ ชั้นเจ็ดแล้วก็จะได้ภาวนาได้เลยเดินจงกรมนั่งสมาธิไปได้เกือบทั้งวันเลยถ้าไม่บินทบายก็อาจจะตื่นสายสว่างแล้วก็ยังไม่ต้องลุกเพราะว่าเดี๋ยวมีคนมาส่งถึงกุฏิมีคนมาส่งถึงวัดอันนี้ก็จะทำให้อิ่มหนี้พีมันมีแต่มีแต่ มีแต่ขายมันแต่ไม่มีกล้ามเนาอมีคำพูดที่ทเขาพูดลักษณะของคนไว้เขาว่าคนอ้วนนี้คนที่จะอ้วนและสิ่งที่จะอ้วนนี่ดีก็คือพวกหมูพวกพวกช้างพวกควายพวกนี้อ้วนดีพวกเวลาเอาไปใช้งานเขาจะได้หรือว่าเอาไปขายจะได้น้ำหนักมาก พวกที่อ้วนไม่ดีก็คือนางงามผู้หญิงอ้วนไม่ดีพระราชาอ้วนไม่ดีนักบวชนี่อ้วนไม่ดีดูแล้วไม่สมศักดิ์สิทดังนั้นขอให้เราพิจารณาว่าเราเป็นอะไรเราเป็นนักปฏิบัติเป็นหญิงเป็นกษัตริย์เป็นผู้นำ หรือเราเป็นวัวเป็นควายเป็นช้างม้าวัวควายผอมไม่ดีพวกนี้ต้องให้เขาอ้วนเขาจะได้มีกําลังแต่คนผู้หญิงนี่ผอมจะดีกว่าอ้วนนักบวชนี่ผอมจะดีกว่าอ้วนพระราชาผู้นํานี่ผอมจะมีสงา่าราศีกว่าอ้วน นี่คือข้อที่ลงกวัดข้อที่หนึ่งที่จะช่วยเสริมความเพียรก็คือการบินทบาทสำหรับญาติโยมก็อาจจะต้องดัดแปลงเอาเองว่าจะทำอย่างไรถึงจะเสริมความเพียนในข้อนี้ได้อาจจะต้องออกไปหาเสื้ออาหารกินเองไม่มีคนใช้ให้ทำเองข้อที่สองก็คือให้ฉัน มือเดียวฉันมื้อเดียวก็เพื่อที่จะได้ไม่ต้องเสียเวลากับการมาหาอาหารถ้าฉันฉันหรือรับประทานมานละสามสี่ครั้งมันก็จะเสียเวลาไปเยอะแล้วก็จะทําให้วงเหงาเหงานอนเกิดความเกลียดค้างขึ้นมาอันนี้ก็ข้อที่สองข้อที่สามก็ให้ฉันในภาชนะเดียวใช้ชามใบเดียวกรมังใบเดียว ของพระก็ใช้บาทใบเดียวจะได้ไม่ต้องเสียเวลากับการมาล้างถ้วยล้างจานล้างชามกันให้เหนื่อยยากแล้วก็จะได้เป็นการปลามกิเลสตัณหาความอยากในรูปเสียงกลิ่นที่จะต้องรับประทานอาหารแต่ละชนิดต่างแยกกันไม่รวมกันทั้งทงที่อาหารทั้งหมดนี้ก็จะต้องไปรวมกันในท้องในปากอยู่ดี ก็ไหนๆก่อนที่มันจะไปรวมกันในท้องในปากก็ให้มันรวมกันในชามไปเลยของอะไรที่จะเราจะรับประทานก็เทใส่เข้าไปในภาชนะอันเดียวของขาวของหวานผลไม้เครื่องเดืมใส่มันเข้าไปทีเดียวเลยกาแฟก็ใส่เข้าไปขนมเค้กก็ใส่เข้าไปแกงก็ใส่เข้าไป ส้มก็ใส่เข้าไปอังหุ่นแอปเปิ้ลอะไรก็ใส่เข้าไปเพราะเดี๋ยวมันก็จะต้องไปรวมกันในท้องอยู่ดีเราก็รวมกันในชา ม, มการใส่ไปในภาชนะอันเดียวนี้ก็มีสามขั้นด้วยกันขั้นธรรมดาขั้นขั้นที่ขั้นก้าวหน้าขั้นแล้วก็ขั้นอุดอุกติมีสามขั้น ขั้นต่ําขั้นกลางขั้นสูงขั้นต่ําก็คือเอาใส่เข้าไปแล้วแยกกันเป็นเป็นส่วนๆข้าวไว้ด้านหนึ่งขนมไว้ด้านหนึ่งผลไม้ไว้ด้านหนึ่งเครื่องดื่มก็อาใส่อีกภาชนะหนึ่งก็ได้อย่างให้เรียกว่าแยกไม่ไม่ใส่รวมกันใส่รวมกันแต่ไม่ไม่คนไม่คุกกัน ระดับที่สองก็คือไม่แยกใส่เข้าไปตามมีตามเกิดจะใส่ตรงไหนก็ได้แล้วขั้นที่สามก็คือคนมันเลยคุก ม, มันเลยให้มันเป็นอาหารจานเดียวไปเลยเป็นเหมือนข้าวผัดอย่างนี้ข้าวผัดนี้เราก็ใส่ข้าวเข้าไปใส่เออนื้อใส่หมูใส่อะไรต่างๆ้าไปแล้วเราก็ผัดคนมันเข้าไปให้เป็นอาหารจานเดียวอย่างเดียว นี่คือขั้นตอนของการที่จะปลาล์มหรือปราบกิเลสตัวจู้จี้จุกจิกตัวที่อยากจะกินอาหารชนิดนั้นชนิดนี้เพราะมันจะเป็นอุปสรรคต่อการบำความบเพ็ญเพียรเวลาจะนั่งสมาธิเดี๋ยวคิดถึงขนมชนิดนั้นอาหารชนิดนี้ก็จะปรุงแต่งไปกับเรื่องของอาหารจะไม่มีกจิจกระจายที่จะมาบริกรรมพุทโธพุทโธ ทำใจให้เป็นหนึ่งทำใจให้เป็นกลางทำใจให้สงบได้แต่ถ้าทุกครั้งที่คิดถึงอาหารก็เห็นแต่อาหารที่มันคุก ม, มันคนอยู่ในชามมันก็ไม่ปรุงแต่งเพราะมันไม่ได้กินเพื่อรสชาติเพื่อความ อ, าอาาร่อยอร่อยเสียแล้วมันกินเพื่ออยู่เพื่อดับความหิวเพื่อป้องกันไม่ให้ร่างกายเจ็บไข้ได้ป่วยเวลาภาวนามันก็จะไม่คิดถึงอาหารชนิดต่าง พอคิดไปมันก็ไม่ได้กินอยู่ดีเพราะว่าในที่สุดจะไม่ว่าจะเป็นอาหารชนิดไหนมันก็จะต้องไปรวมกันในชามในภาชนะอันเดียวแล้วก็คนก็คลุกมันเข้าไปเพราะว่าในที่สุดมันก็ต้องไปรวมกันอยู่ในท้องอยู่ดีท่านเรารับประทานเพื่อร่างกายไม่รับประทานเพื่อตั้หาความอยากล้วก็ต้องรับประทานแบบนี้ มันถึงจะกำจัดเรื่องปัญหาของการรับประทานอาหารได้เแล้วถ้ายังมีปัญหาขนาดคุกแล้วยังขฝันถึงอาหารที่คุกอยู่อย่างนั้นก็ต้องเล่นด้วยการไม่กินอาหารต้องอดอาหารถ้ามันเวลาภาวนาแล้วคิดถึงอาหารนี่ก็ต้องจัดมันละถ้าคิดถึงอาหารก็ไม่ให้กินอจะให้กินก็ต่อเมื่อไม่ได้คิดถึงอาหารหรืออย่างน้อยก็ ตามเวลาที่กำหนดไว้เช่นเบื้องต้นก็จะลองดัดกันทีละสามวันดูกอนอันนี้เราต้องมีมาตรการเข้มข้นเพื่อที่เราจะได้ทำลายอุปสรรคที่จะม า, าขัดขวางในการบาเพ็ญจิตตภาวนาเรื่องของกามฉันทะทความยินดีในรูปเสียงกลิ่นลดผลเพภะของอาหารนี้ ก็เป็นนิวรณ์เป็นอุปสรรคต่อาการบำเพ็ญนี่คือมาตรการที่พระปฏิบัติท่านใช้กันเพื่อที่จะมาแก้อย่างที่วัดป่าบัานตานี่บาทของพระนี่ไม่มีใครมีสิทธิ์ที่จะเป็นคนจัดของของตนเองพอขึ้นไปบนศาลาแล้วก็ต้องเปิดฟ้าบาทแล้วก็ให้พระช่วยกัน แจกอาหารดับรับอาหารมาจากหลวงตาแล้วก็ตักใส่บาตรกันคนทัพพีทัพพีไปไม่มีใครจะเลือกได้นอกจากคนที่เขาฉลาดเขาไม่รับอาหารเลยเขารับอาหารแต่ที่ได้จากบิณฑบาตพอเขากลับมาถึงวัดเขาก็จะปิดฝาบาตรไม่เปิดไม่รับประทานไม่รับอาหารที่ที่ได้รัที่สาลาอันนี้ก็เป็นทุดงิงควตดอีกข้อหนึ่ง คือมากน้อยเอาเอาเอาเอาเพียงที่ได้มาจากการบินทบาทอญาติโยมก็ดันไปอยากจะใส่ให้มากๆก็เลยไปยืนอยู่ที่หน้าประตูวัดกันเป็นแถวยาวเป็นกิโลเพื่อจะได้ใส่บาตรพระที่เขาไม่รับอาหารที่เวลาตามเข้าไปในวัดแล้วอันนี้ก็เลยก็เลยเป็น เป็นเป็นปัญหาขึ้นมาสาหรับผู้ที่บำเพ็ญทาไปทํามาสู้ไปรับอาหารที่สาราอาจจะดีกว่าเพราะไม่ได้ทำเพราะจะได้ไม่มีสิทธิ์เลือกอาหารแต่ถ้าบินดาบาไม่รับอาหารจาการับอาหารเพียงแต่จากที่บินดาบากลับไปก็ยังมีสิทธิ์ที่จะเลือกอาหารเก็บไว้ในบาศของตนได้แล้วก็ปิดบาทไม่ต้องให้ใครมา ลบกวนบาทของตนอันนี้อาจจะต้องแก้เป็นต้องรับอาหารในศาลาแต่ไม่จัดเอง่อยให้คนเื่นเขาจัดอาหารให้ให้เขาตักอาหารชนิดต่างๆใส่บาดเข้าไปยินดีทุกชนิดที่เขาจะสักใส่ไปให้อันนี้ก็เรื่องของทุกงควัดที่เกี่ยวกับการบริโภคอาหาร ที่เกี่ยวกับผ้าก็คือเนี่ยถือผ้าบางสกุลคือพอใจกับผ้าที้ริ้วพูดง่ายๆไม่ยินดีกับผ้าไหมผ้าอะไรต่างๆผ้าที่ทํามาจากโรงงานเป็นพัพเป็นผืนใหญ่ๆยินดีกับเศษผ้าที่เขาทิ้งไว้ตามสถานที่ต่างๆไปเก็บมาเพื่อที่มามาเย็บเาต่อให้เป็นผืนใหญ่ เรียกว่าผ้าบางสกุลแล้วก็ถือผ้าเพียงสามผืนคือถือเท่าที่จําเป็นไม่เอามากเอาเท่าที่จําเป็นมากน้อยก็สามผืนผ้านุ่งหนึ่งผืนผ้าห่มหนึ่งผืนแล้วก็ผ้าห่มกันหนาวอีกหนึ่งผืนรวมกันเป็นสามผืนเรียกว่าไตรจีวรผ้าไตรไตรแปลว่าสามผู้ที่ไม่ถือทุดงควัส์นี้ก็สามารถที่จะ มีจีวรได้หลายผืนมีผ้าหม่มผ้าสังกติได้หลายผืนมีสบวงได้หลายผืนตามอั ต, ต, าอตยาัยอันนี้แต่ผู้ที่ต้องการอยู่อย่างง่ายดายเรียกง่ายไม่ต้องมาพลุงพลังมากังวลกับการดูแลรักษาผ้าแลยกับการมาต้องมาซักมาอะไรอยู่เรื่อยๆก็เอามันแค่สามผืนนี่นอว่าถือผ้า ถือผ้าสามพื้นถือผ้าไตาจีวรถือผ้าบางสกุลอันนี้ก็คือเรื่องของผ้าแล้วเรื่องของที่อยู่อาศัยก็เนี่ยอยู่ตามคนไม้อไม่ต้องให้คนเขามาวุ่นวายกับการสร้างที่อยู่อาศัยให้กับเราพอใจกับคนไม้ไปไหนก็หาอยู่ตามคนไม้ อาจจะมีกรดไวสำหรับกันแดดการฝนแล้วก็มีมุ้งหุ่มร อ, อบกรดไว้การยุงนี่คือบ้านของพระธุดงพระที่ไปจาเล็กในป่าท่านจะมีบ้านติดตัวไปด้วยบ้านแบบภัพได้หลังคาก็คือมุง้งหลังคาก็คือร่มกรดส่วนฝาก็คือมุง้ง มุงนี้ก็จะห้อยลงมาจากกรดอกรอบกรดก็อยู่เข้าไปนั่งข้างในมุงนี้แล้วก็ไม่มียุงก็มาบรบกวนก็สามารถไปไหนได้ตามป่าตามเขาตามถ้ำก็อยู่ได้ถ้ามีกรดมีบ้านติดตัวไปของญาติโยมก็อาจจะเป็นเต็น์ก็ได้แล้เดี๋ยวนี้ก็มีมีแบบที่เป็นเหมือนมุงที่นั่ง ใช่หราสำหรับนั่งได้อันนี้ก็เป็นการอยู่แบบเรียบง่ายง่ายไดย้ไม่ต้องมาวุ่นวายกับที่อยู่อาศัยแล้วก็จะไม่ติดที่ถ้ามีกุติแล้วมันสุขสบายมันก็จะติดแล้วบางทีมันก็จะไม่ไปเปลี่ยนที่เพื่อหาที่ที่ดีกว่าที่สงบกว่าพออยู่ติดที่แล้วก็จะสะสม มีที่แล้วก็พอได้ข้าวได้ของมาก็จะหวงจะเก็บเอาไว้ดีไม่ดีต่อไปกุฏิจะเป็นที่เก็บของมากกว่าเป็นที่อยู่อาศัยจะหาที่หลับที่นอนไม่ได้ในกุฏินี้ก็แผงสังฆทานเต็มไปหมดกลายเป็นกุดังไปงั้นถ้าอยู่ตามคนมาปัญหาเรื่องเหล่านี้ก็ไม่มี ได้รับของมาก็แจกไปจลาไปถ้าไม่ใช้ก็ไม่ต้องเก็บเอาไว้เก็บเอาไว้เท่าที่จําเป็นเท่านั้นการอยู่คนม้าก็ดีเพราะคนม้าก็คืออยู่ในป่านี้เองอยู่ในป่าก็จะอยู่ที่สงบไม่มีคนเข้าไปเดินกันในปา่าไม่มีคนไปทําส่งเสียงดังไปทําอะไรกันในปา่า ก็จะเหลอกต่อการบำเพ็ญจิตตภาวนาเป็นสถานที่ปีกวิเวก ค, ความหมายก็คือไม่ให้อยู่ตามบ้านตามเมืองเช่นอยู่ในวัดในบ้านในเมืองอย่างนี้วัดสมัยก่อนนี้จะเป็นวัดป่ากันทั้งนั้นแต่ต่อมาบ้านเมืองก็เจริญก็ขยายออกไปเรื่อยๆก็เลยไปก็ไปครอบวัดที่อยู่ห่างไกลจากบ้านเมืองกลายเป็นส่วนหนึ่งของบ้านเมืองไป ดังนั้นถ้าวัดกลายเป็นเป็นบ้านเป็นเมืองไปแล้วผู้ที่อยู่วัดก็ต้องเปลี่ยนวัดแล้วต้องไปหาวัดป่าอยู่วัดที่เป็นป่าคือไปจา่าฤกไปทุดงในป่าไปตั้งสำนักอยู่ในป่านี่คือที่อยู่อาศัยของทุดงคาวัดให้อยู่ตามป่าตามเขา